มังกรหยกภาคสองตอนที่สิบห้าตอนสำนักเขาเทพภาคสองเติมน้ำจนเต็มก็จะหล่นมิสู้หยุดยังเสียรับมีดจนคมกริบจะคมอยู่ได้ไม่นานหยกและทองคำมีเต็มห้อง หรือจะรักษาไว้ได้สูงสับรวยสั์แล้วอวดยิงถนงจะกานพบภัยพิบัติเองภารกิจกิลุล่วงแล้วจงวางมือนี้คือวิถีแห่งฝาโออยังสังและคณะได้พำนักอยู่ที่สำนักเขาเทพมาสามราตีแล้ว และทำการเยียวยารักษาเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของภิกษุเต็กหัวบให้หายจากอาการบาดเจ็บภิกษุน้่สัวศิษย์เอกของภิกษุเตกหวบก็ฟื้นจากอาการบาดเจ็บและไปจ้างได้เดินพลังวัดเพื่อฟื้นฟูวิชาและทะลวงจุดบอบช้าต่างๆให้คืนสู่สภาพเดิม อาตมารู้สึกขอบคุณแม่นางโออยางสางและเหล่าคณะศิษย์ไตกุปาเป็นแบ่งมากที่ช่วยเยียวยารักษาข้าวันนี้ท่านภิกษุเตกัวบให้อาตมานำพวกท่านไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเชิญตามอาตมามาทางนี้นี่เป็นห้องศิลากรทัรัดหลังหนึ่งหนึ่งปลูกสร้างแบบโบราณ ชวนให้ผู้พ้นรู้สึกสูงสง่าห้องศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเขตห่วงห้ามตั้งอยู่บริเวณใจกลางภูเขาตรงส่วมีป่าไผ่ล้อมรอบหน้ามูตึกมีสัญลักษณ์ของพิกษุขหัวสิงต้าองฟูเราคณะได้เข้าไปถึงใจกลางห้องสายตาพานพบรูปเหมือนของภิกษุขหัวสิงต้าองฟู ตั้งต่างงานอยู่ท่ามกลางทุกคนทำการคารวะรูปเหมือนบังเกิดเสียงถอนใจเฮือกใหญ่อยู่เบื้องหลังที่แท้ภิกษุเต็กหวบได้มายืนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วสถานที่นี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นห้องฝึกวริยตันสูงสุดของวิชาห่วสิ่งแต่เดิมหมายหมายว่าจะมีผู้เราสิทธิ์มารวมชุมชุมวิรยยุ แต่จนทุกวันนี้ห้องนี้ก็ยังปิดร้างเราเต้าหินบัตรบิก็ฉลาภาพเป็นห่วงเตะคำสั่งสุดท้ายของซื้อแปรหกสิง่งได้มอบหมายให้ตอนตอที่ได้มาจัดสร้างสำนับเขาเทพตลอดระยะเวลาสามวันนี้แม่นางและคณะคงจะได้เห็นมูตึกต่างๆมีทั้งมูตึกโงรงพยาบาล บานพักุลฉลาโลงเรียนและทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาทั้งสามลูกนี้สิ่งเหล่านี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อลองรับเราจอมยุทในการข้าหน้ามาแม่นยุทธภพเกิดภัยวิบัติจะเป็นสถานที่ศักิสิทธิ์และปลอดภัยให้ผู้คนมาใส่และสามารถฝึกบรยุทธสุดยอดกับขึ้นสู่บกเก๊ก คือนิพพานชั้นสูงสุดในวัยชัยชาจึงมีบ้านพักคนชลาสร้างเลียงรายรอบทะเลสาบสิ่งปลูกสร้างต่างๆเรลาเต้าหินได้ทำสำเร็จลุล่วงขาแต่ปุถิมาสืบทอดเจตนาลงงานนี้ให้สำเร็จในขั้นต่อไปภูเขาสามลูกนี้สวยงามมีทัศนียภาพยอดงดงามมาก ผู้คนจึงคิดบุกรุกเขาจับจองเป็นสนามกอบสำหรับออกกำลังกายเราผู้เท่าไม่รู้ว่าจะทำการแก้ไขอย่างไรด้วยไว้อัญชลาภาพใกล้ฟังแล้วแม่นางก็เป็นสิทธิ์ซือแปลวบสิ่งเราจึงคิดฝากฝังเจตนาลมของท่านสารสายใยญของซือแปลวบสิ่งให้รุ่นล่วงสำเร็จในขั้นต่อไป แม่นางจะว่ายังไรโอหยางสังก้าวปฏิเสธขึ้นว่าข้าน้อยต้องขอบคุณที่ท่านไว้วางใจแต่ข้าก็มีสำนักใต้บุภาที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบจึงมิอาจรับความหวังดีของท่านได้แต่มีการใดที่ให้ข้าน้อยช่วยเหลือข้าน้อยและคณะก็ยินดี ตามที่ข้าน้อยได้รักษาอาการบาดเจ็บและเดินพลังวัดท่านพิสุทเตกวบสามารถฟื้นฟูวรยุทธ์และพลังวัดกลับคืนสู่ปกติแล้วข้าน้อยว่าท่านคงอยู่ได้อีกนานและสามารถหาทายาทสืบทอดเจตนาลมอันยิ่งใหญ่ของท่านพิสุทวบสิ้นที่ให้มาสร้างสำนักเขาเทพแห่งนี้ ในสายตาของแม่นางเห็นภิกษุนั่มซัวและพลังวัดของเขาเป็นเช่นไรภิกษุเต็กวบเอ่ยถามโอ้ยางสาร้างคิดพิจารณาเขาโคงใบหน้าและกระดูของภิกษุนั่มซัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเอ่ยตอบภิกษุเต็กวบว่าจา<อ>กเ<อ>ส้นหับแหลงหลองันขมลงึลง เขาโค้งกระดูกเป็นส so ี่เหลี่ยมเอาการอ่านและจากการที่ขน้อยเดิมพลังวัดรักษาอาการบอบช้าของภิสุขนำสัวนพิษุขนำสัวนนั้นมีไอ้ท่าที่บริสุทธิ์มีพลังลมปราณที่แข็งแก่งสมควรที่ท่านผู้เท่าคิดจะถ่ายทอดวิทยุแก่เขาได้ข้าผู้เท่าก็มองมองอยู่ พอเห็นเขาผู้เดียวที่เผามึกฝึกปลื้ยยึดตามลำพังตามป่าเขาตามถ้ำนี่เกี่ยวข้องแกผู้ใดอีกทั้งไม่พูดมากความพื้นฐานทางด้านคุณธรรมก็เป็นผู้หนึ่งที่ข้าควรจะส่งเสริมแม่นางและขณะเมื่อตั้งใจจะกลับไปยังสำนักของแม่นางข้าผู้เท่าไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนอีทั้งยังอะไร คิดอยากจะให้ท่านมาช่วยงานสาสางเจตนาลงของท่านภิกษุหัวสิงตาอวงฟูตอได้แต่ขอมอบของขวัญเล็ก น, น้อยแด่แม่นางเป็นการขอบคุณที่ได้ช่วยรักษาค่าภิกษุกเท่าให้หายจากอาการบาดเจ็บเต่าหินนี้แกสลักจากหินเขียวอมอรกดชิ้นเดียวกับที่แ ม, ม่นาง เห็นเป็นองค์พระที่ยอดเขานำแช่ที่ท่านไปเยี่ยมชมมาขอแม่นางจงรับเตาหินนี้รับไปเถอยามอากาศร้อนเตาหินนี้จะเย็นยามหนาวก็จะมีไออุ่นจากหินเขียวอมมอญกรวดดีพร้อมคำพูดท่านผู้เท่าก็ทรงมอบเตาหินขนาดหนึ่งกำมือยื่นแก่โออยงสาม โอ้ยางสร้างรับเต่าหินมาอย่างสึงใจในน้ำใจของท่านพเท่าขอบคุณท่านพูทโธามากถ้ามีการใดที่เหล่าข้าหน้อยสามารถช่วยเหลือท่านได้ไมิต้องเกรงใจขอเพียงท่านส่งข่าวไปยังสำนักไกลบนผาข้าหนอยยินดีรับใช้ท่านอย่างเต็มกำลังทีเดียวและข้าหนอยขอมอบแก้วกายศิทิ์ดวงด้อยดี้แก่ท่านพเท่า ดวงแก้วปยาสิทธิีจะเป็นภาพผู้เลี้ยงผู้รักษาไปจำตัวของท่านผู้เท่าเมื่อใดที่ท่านผู้เท่ามีภยัยจะกระพัดประจำดวงแก้วจะไปแจ้งกล่าวแก่ข้านหน้อยอีกทั้งท่านผู้เท่าควรปฏิบัติบริยุทธ์พุทธสิ่งท่านสูงสุดต่อไปดวงแก้วกะยาิทธิ์จะช่วยท่านผู้เท่าฟื้นคืนสู่วิชาต่างๆที่ได้ห่างรังมือไปนานปี วันนี้ข้าน้อยและขณะต้องขอลอกลับสำนักไปก่อนโอ้ยังซางและคณะต่างยกมือขึ้นคาวะอำลาท่านผู้เท่าเต็กพวกก่อนเดินลงเขาไปไม่สำแดงตัวจึงผุดผ่องไม่อวดอ้างจึงโชดช่วงไม่ยกตัว จึงมีวีรกรรมไม่พยองลำพองจึงยั่งยืนที่โบราณว่ายอมอ่อนน้อมจึงคงอยู่คำนี้จึงเป็นตามคำที่โบราณว่าดังดีเองโปรดติดตามมังกรหยกภาคสองตอนต่อไป 天也空，地也空，无欢心，一上海容。